คงจะไม่เท่าความอะไรมากมายนะเราท่านทั้งหลายก็คงจะทราบกันใ จ, ใจใจกันดีว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้มารวมแต่เพื่อเป็นการที่จะปฏิบัติบูชาเพื่อให้เกิดรัตติบัญญญาตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนเอาไว้หลายๆท่านก็คงจะอย่างที่ท่าน พิธีกรท่านได้กล่าวคงจะได้มีส่วนร่วมมีส่วนในการประพฤติปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์พ า, านิเลกลเพราะท่านเองก็เป็นผู้ที่มีความฝักใฝ่ในการที่จะสอนในการที่จะเผยแผ่ให้ผู้คนทั้งหลายไ ด, ได้รับรู้ว่าทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งมวล น, นั้นมันเกิด ปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์เราเกิดขึ้นจากอะไรแล่ก็ได้ดำเนินเอารูปแบบวิธีการการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนที่เราก็ทราบดีว่าการปฏิบัติเจริญสติในอิริบบทการเคลื่อนไหวถ้ามันก็เกิดจะเกิดการแตกต่างจากการทำสมาธิที่เราเคยฝึกและเรียนรู้กันมา พอเมื่อก่อนนั้นก่อนยุคที่หลวงพ่อเทียนจะนำมาเผยแผ่พูดไม่เรื่องของสติก็พูดอยู่ไม่ได้ทิ้งแต่ว่าสตินั้นเอาไว้ที่หลังไม่ชูให้เด่นโดดเด่นเหมือนกับสิ่งที่หลวงพ่อเทียนเอามาใช้ยุคนั้นสมัยนั้นก็เอาเรื่องของสมาธิเป็นหลักเมื่อไม่มีสมาธิ สติปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพอแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนกันลักษณะนั้นแล้วก็เลยมาเน้นในเรื่องของสมาธิที่เป็นส่วนใหญ่เรื่องของสติก็พูดบ้างประปรายแต่พอหลวงพ่อเทียนท่านได้นำสติตัวนี้เอามาใช้มาไผยแผ่แบบโดดๆในตัอไปอิงอาศัยอะไรมากมายนะักกบกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทาแล้วเนี่ย พอผู้ปฏิบัติมีความเห็นและประสบสัมผัสกับความรู้สึกกับสติสัมปชัญญะเข้าจริงแล้วนะการเป็นว่าสภาวะทำแบบนี้เนี่ยมีกันทุกๆคนไม่ได้ยกเว้นไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาหรือไม่เกิดขึ้นมาก็ตามแต่สิ่งนี้ก็มีอยู่แล้วธรรมชาติส่วนนี้มีอยู่แล้วแต่ทาไมพอหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านได้เสด็จเดลันป ร, รินิพานไปแล้วนะ่ะ พราว่าแบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นเหมือนกระแสเทียนที่ลิบลีมองไม่เห็นส่วนใหญ่ก็เลยพอมองไม่เห็นส่วนใหญ่ก็เลยมองเอาแต่เรื่องของบุญผลบุญผลทานผลกุศลผลทานสร้างบุญสร้างกุศลสร้างผลทานไปก่อนสร้างบุญสร้างบารมีไปก่อนเพราะว่าเราเองก็ยังไม่มีบุญบารมีพอในการที่จะ สามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์ศ萨สดาสมาสัมพุทธเจ้าได้พอมายุคนี้ก็มาช่วยกันเสริมสร้างในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบา ร, รมีเกิดขึ้นก็เลยก็เลยไปติดอยู่ในรูปแบบแบบนั้นแล้วเราก็มาให้ค่าลดค่าของความเป็นมนุษย์ผู้เป็นที่บอกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายบุญเรายังไม่มีบารมีเขาเรายังไม่พอ กลยมันเกิดแล้วเกิดคำถามเกิดขึ้นมาว่าเอ้ยถ้าบุญไม่มีแล้วได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ยังไงเกิดมาเป็นคนได้ยังไงในเมื่อในเมื่อบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพอกับพอเกิดมาแล้วก็ถือว่าเป็นมนุษย์สัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายทำไมไม่เกิดเป็นตุ๊กแกอยู่ตามข้างฝาจริงจกตุ๊กแกแต่เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วเราตัวเราเองก็ยังมาลดค่าของความเป็นมนุษย์ลงไปอีกมันคืออะไรศักยภาพของความเป็นมนุษย์ของเราถูกลดค่าลงไปนี่ลงไปทุก มันก็เลยมองไม่เห็นค่าของความมนุษย์ของเราที่จะต้องไปย่งคือไปอย่างไงเอาอะไรทำอย่างไงถึง เ, เข้าถึงคําส่งสอนของพระพุทธเจ้ามามองเข้าไปลึกๆมนุษย์เาราไปยุคปัจจุบันนี้ฉลาดฉลาดบัญญัติศับต่างๆฉลาดบัญญัติสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเรียกว่าสมมติบัญญัติสารพัดเรื่องสารพัดอย่างเอาไปเอามาบัญญัติเข้าไปเข้ามาเลยกลายเป็นกับดักปิดกั้นตนเองเอาไว้ไปไม่ถึง สิ่งในสิ่งที่ตนเองจะไปเพราะอะไรเพราะตนเองวางกับดักตัวเองเอาไว้เนี่ยไว้ก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ย mm hmm. ไอ้สิ่งที่เราทำเอาไว้เนี่ยไม่ได้ระมองทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมานี่ขึ้นมาเราก็ไปโทษเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องบุญเรื่องกรรมผลกรรมติชาติปังก่อนเรื่องก่อนมาเมื่อหวานนิยมก็ไปทาสังฆทานก็บอกว่ามาทาสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เขยถามโมว่าแล้วเจ้ากรรมนายเวรเป็นตัวยังไงเป็นหน้าตา ย, ยัางไงบ้างไม่รู้พ่อแม่ปู่ย่าตายายภาวะมานี่มาเออแล้วแล้วเป็นญาติฝ่ายไหนก็ไม่รู้เหมือนกันดีแจะวทำไมทําหาบ่อยจังทําอะไรปับ๊บก็บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อไปให้เจ้ากรรมนายเวรแต่ว่าญาติส่วนไหนฝ่ายไหนไม่รู้เห็นหั้มว่ากับดักที่เราวางเอาไว้เนี่ยสารพัดเรื่องแล้วตนเองก็เป็นโดนไปถูกกับดักไปถูกกับดักของตอนเองที่วางที่ตัวเองวางเอาไว้อีก ทั้งทที่สติและปรรัญญาสติและสัมปชัญญะของเรามีพร้อมอยู่แล้วสติสมาธิของเราก็มีพร้อมอยู่แล้วเฉพาะความฉลาดของเราเองฉลาดในการที่จะบัญญัติสมมุติบัญญตตัติต่างๆนี่ต่างๆเกิดขึ้นมาปิดกั้นตนเองนี่ตนเองถ้ม า, ามาดูลองมาดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้อย่างที่หลวงพ่อเทียนที่ท่านกล่าวท่านอธิสอนเอาไว้เดี๋ยวไว้บอกว่าให้รู้ซื่อสื่อรู้ซื่อสื่อ ทนผู้ฉลาดก็หาคํามาหาความหมายคําว่าซื่อ ๆ, อ, ๆ, อ, ๆ อ, อยูงง่ซื่อๆมันต้องเป็นอย่างนั้นซื่อๆมันต้องเป็นอย่างนี้ซื่อๆมันต้องเป็นอย่างนั้นเอาแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วลักษณะนั้นนี่จะเป็นซื่อๆหรือยังไงก็ซื่ไม่ได้ตายเป็นความปรุงแต่งโดยที่เราเองก็ไม่รู้อ่ะทั้งทั้งที่บอกเราบอกว่าสังขารคือร่างกายและจิตใจรูรปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตของเรานี่ของเราทําไม ทำไมไม่ให้มันจบอย่างที่พ่อแม่คูบาอาจารย์จบที่ความรู้สึกให้มันสุสความรู้สึกก็คือความรู้สึกแต่นี้เราเอาความเอาความเอาสังขารเข้ามาเป็นตัวกำกับเอาสังขารมาเป็นตัวกำกับมาตัวค้นหาชิดหาค้นหาเราให้ความชิดค้นหาความจริงในชีวิตของเรามาค้นชีวิตเราเนี้ยมันยังไม่มีคําตอบเป็นคําสุดท้ายให้กับเรากล้าไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมรู้สึกก็ให้มันมีความรู้สึกจริงๆนี่จริง ๆ, ๆไม่ใช่ชิดหาค้นหา ภาวะของอารมณ์ของการปฏิบัติธรรมมันจึงเป็นเรื่องเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจและสนใจการยกมือสร้างจังหวะเคลื่อนยกมือเข้าเอามือออกยกมือไปเอามือมานี้เราท่านทั้งหลายทําได้จนชำนิชํานาญแล้วล่ะมีความชํานาญในการปฏิบัติมีความชมนานาญในการเรียนรู้แล้วก็ง่ายแต่ภาวะการเปลี่ยนแปลงขณะนั้นอารมณ์ทางนั้ น, น, นจิตใจของเรานี้ของเราเนี่ยเราไม่ก็ได้สังเกตกับมัน ไม่คยได้พินิษพิจารณาไม่เคยได้สังเกตว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วเปนคืออะไรบ้างบางคนก็ยกมือไปเอามือมาบางที่เอ้ยทําไมมันเผลอบ่อยทำไ ม, มเผลอบ่อยจังแ ล, แล้วก็ไปลำคาญกับคําเผลอความเผลอที่พังเผลอไปอยู่หนึ่งเนืองหงุดหงิดฟุ้งซ่านตั้งใจว่าจะไม่ให้มันเผลอพอมันเผลอไม่ได้ดั่งใจของเราทีนี้เราก็มันก็เฮ้ยทาไมมันเผลอบ่อยจังทําไมไม่หมัดหัดมองหนูว่าเฮ้ ย, ยทำไมต้อรู้ว่ามันเผลอ ก่อนมันเผอทําไมไม่รู้แต่พอรู้ว่าเผอทําไมเป็นปัญหาขึ้นมาอีกเราจะมาตัวเผอหรือมาตัวรู้เราตัวรู้สิแต่มันรู้ทําไมพอมันรู้ว่ามันเผอทําไมเอาไม่เป็นแล้วไปหยิบเอาความเผอทําไมมันเผอเป็นไ้มว่าอะไรรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี้ยทีนี้ลองเราลองมาจับรายละเอียดรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราลองดูที่ลองดูจะให้จะให้ทําอะไรต่างๆมันสมบูรณ์แบบทั้งหมดที่ทั้งหมดไม่มีพังเผอ เราเองก็ยังเป็นผู้ฝึกขัดและปฏิบัติอยู่สมัยหนึ่งที่อยู่กับหลวงพ่อเทียน <c oughs> เขานิมนต์ไปเจริญพุทธมนต์ที่บ้านหลวงพ่อก็เตรียมมณเทพมาจะไปให้ญาติโยมได้ฟังเตรียมมาเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแต่พอยาวยมมาแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวพอขึ้นรถแล้วเนี่ยหลวงพ่อว่าเออเดี๋ยวหลวงพ่อลืมเลืมของก็ถามหลวงพ่อลืมอะไรลืมมณเทพเนี่ยผมไปเอาให้ก็ได้แต่ไม่นิ่งไม่มีอาการหงดหจิดทั้งความเผลอความลืมตรงนั้น เห็นไหมว่าภาวะสิ่งต่างๆางนีน่ต่างๆมันก็มีพังเผอเผอบ้างนี้บ้างแต่ว่าเราจะให้น้ําหนักคำความที่ไปนั่งอยู่ที่ความเผอหรือว่าอยู่ที่ความรู้สึกตัวส่วนใหญ่เนี่ยก็เอาน้ําหนักไปอยู่ในความความเผอถ้าแมมันเผอบ่อยเผอและเป็นอะไรก็ยังเป็นคนอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เป็นเทวดาถ้ามีความรู้สึกตัวอะไรเป็นอะไรก็เป็นคนทํำเป็นคนอีกเหมือนเดิมแต่ว่าภาวะของอารมณ์มันต่างกัน เพร อ, อะไรเพราะเพราะเราใช้ใช้กระบวนการความความคิดหาค้นหาไม่ได้ใช้ตัวสติเท่าที่ควรความรู้สึกตัวมีไหมก็มีแต่เวลาจะเอามาใช้เอาใช้เอาหยิบเอามาใช้ไม่เป็นเหมือนที่หลวงพเจียนใช้คำเม่าเหมือนกับแมวจับหนูหนูตัวเล็กแล้วก็ให้อาหารแมวซะแทนที่จะหยิบอาหารให้ให้แมวแต่ว่าหนูนะ่ะมาเอาไปกินซะหนูก็อ้วนเอา้วนเอาแต่พยายามที่จะลดความอ้วนให้หนูของหนูหนแต่ว่าหนูมัน เออมันคล่องกว่าคล่องตัวกว่าเพราะฉะนั้นการยกไม้ยกมือการสร้างจังหวะนี่สร้างจังหวะสร้างเป็นเป็นแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเจ็บรายละเอียดภาวะของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเรามามัวแต่เรื่องของกําหนดอยู่เรื่องของกายอย่างเดียวนี่อย่างเดียวกลายเป็นว่ามันไม่ทันกับสติไม่ทันกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราเอาสติมากําหนดอยู่ที่กายแน่นจนเกินไปนี่เกินไป จนไม่ได้สังเกตจนไม่ละวัดจนจนกระทั่งว่าไม่ระมัดระวังจนกระทั่งว่ามันกลายเป็นความสงบในรูปแบบของการเคลื่อนไหวโดยที่เราเองก็ไม่รู้คือความสงบเอ้ยเคลื่อนไหวแบบเราเนี่มันไม่ได้อยู่มันไม่ได้มันไม่ได้สงบหรอกสังเกตดูให้ดีเพลินอยู่กับการเคลื่อนไหวสนุกอยู่ ก, การเคลื่อนไหวเพลินโอ้ไม่มีอะไรมา ทำให้อารมณ์ขุ่นมัวมีแต่ความเพลิดเพลิน ม, มีความสุขความสงบอยู่กับการเคลื่อนไหวเพลินสุขไปกลายเป็นความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เหมาะไม่ได้สังเกตมีโยมคนหนึ่งนะบอกว่ามีเพื่อนก็ถามถามบอกว่าเพื่อนถามมาว่าในการเจริญสติกับการกําหนดลมหายใจมันแตกต่างกันยังไงก็บอกว่าไม่ได้แตกต่างถ้าเราเอาสติมากําหนดรู้อยู่กับจงแน่นจนเกินไปนี่เกินไป แล้วจิตมันก็ดำดิ่งอยู่ในกับการกำหนดอยู่ในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นสติมันต้องมีความเป็นอิสระสติมันต้องมีความเป็นอิสระในการที่จะจัดการกับภาวะของอารมณ์ใดๆที่มันเกิดแต่ถ้าวันใดที่เราเอาสติไปกำหนดอยู่ในในลีบท่างต่างนต่า ง, ตา ง, ตางสติไม่ได้ทำหน้าที่เพราะถูกล็อกเอาไว้เอาเอาพราะถูกล็อกหน้าที่ของสติเอาไว้อยู่กับรีบท ด น, นมุมหนึ่งที่หลวงพ่อเทียนที่ท่านพูดอยู่กับผู้ปฏิบัติก็หงจะพวกเราก็คงจะได้ยินได้ฟังพอมาถึงจุดจบหนึ่งเนี่ยนั้นให้ความสําคัญเรื่องของตายเนี่ยสักสีสิบเอร์เซในเรื่องความสําคัญเรื่องของจิตนี้เนหกสิบเอร์ซ็นตาพอพูดอย่างลักษณะนั้นก็มากําหนดอีกกําหนดจิตก็ไม่อีกพอทําไปทํามาบอกว่าอึดอัดโอ้ย ม, มันอึดแน่นมันอึดอัดมัน เหมือนกับถูกบังคับถูกกดเจนอยู่ล็อกสนี้เกิดขึ้นนี่เกิดขึ้ น, นสู้มาผ่อนคลายการเคลื่อนไหวอยู่ บ, บ่อยๆอยู่กับการเคลื่อนไหวที่มืออยู่ บ, บ่อยๆนี่บ่อยไม่ได้สบายกว่าเอาพอหันกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวบ่อยๆเอาว่ามันก็สบายติดความสบายความสุขหรือการเคลื่อนไหวสงบกับการเคลื่อนไหวขึ้นมาอีกมันเลยไปไม่เป็นไปไม่ถูกก็จะไปยังไงนี่มันคืออะไรเอาไปไม่ถูก จิตหนึ่งมันเขาออกสังเกต ด, ดูเราออกนะก็คนเรามีจิตสํานึกมีความรู้สึกมีจิตสํานึกอะไรอยู่ในจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมันจะออกมาให้เห็นคนคนที่มี <c oughs> อุปนิสัยอะไรที่ชอบอะไรชอบทําอะไรอุปนิสัยนั้นจะโผล่ขึ้นมาพุดขึ้นมาให้เราเห็นแล้วเราก็ไหลคล้อยตามไปนี้ไปบางบาง บางรูปหรือบางองค์บางท่านบางองค์ก็มีในรูปแบบของอสังคมสงเคราะห์ก็ออกไปในด้า น, านสังคมสงเคราะห์ต่ อ, อไปในจิตทางเป็น อ, อะไรต่อมีอะไรจิตที่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็โผล่มนลักษณะออกมาไปเพราะเพราะฉะนั้นเพราะจิตตรงนี้เราไม่ได้ไม่เราไม่ได้ทําทําหน้าที่ของมันได้เต็มที่สติตรงนี้ไม่ได้ทําหน้าที่ของมันเต็มที่ก็ออกมาในรูปแบบพวกมีศิลปิน มีศิลปะอยู่ในความคิดในอารมณ์ก็ออกไปด้านศิลปะศิลปะแนวพุทธออกมาต่างๆปีหนึ่งได้เคยไปลงไปกรุงเทกพกับหลวงพ่อคําเขียนไปเจอไปเจอศิลปินท่านหนึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติไปเจอแล้วโอ้โหไปอยู่ในบ้านโอ้โหลายพูกกันลายอะไรต่างๆอแล้วไปมีแผ่นมีแผ่นหนึ่งภาพมีภาพเด่นนะบอกว่าเนี้ยมองให้ดูมองให้ลึกๆลงไปนี่จะมองเห็นภาวะเห็นความ ความเป็นพุท ธ, ธะอยู่ในภาพตรงเนี้ยถ้าไม่มีไม่มีจิตพุท ธ, ธะสื่อสัมผัสได้มันก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสกับจิตพุท ธ, ธะตรงนี้อยู่ตรงนี้ได้บอกให้ดูอา้าวพอดูไปดูมาและ้ะเฮ้ยทำไมทําไมจิตพุท ธ, ธะมันหลุดมาอยู่ตรงนี้ถ้าจิตพุท ธ, ธะมาอยู่ตรงนั้นนี่พุทโธพุท ธ, ธะผู้รู้ผู้ตื่นคือพูอ้คืออะไรทีเนี้ย พุทธะแท้จริงที่มีเกิดเที่ยมเกิดขึ้นกับตัวทีสติและปัญญาของเราที่รู้ทันกับภาวะสังขารที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราตรงนี้นะพุทธะพุทโธตรงนี้ต่างหาที่มองไม่เห็นอ้าวก็เลยไปเอ า, เอาไปเอปไปศิละปะออกไปในรูปแบบของศิละปะไปนี้ไปภาวะของอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วแต่เรามีภาวะในในจิตใต้สํานึกของเราส่วนไหนที่ออกมาเราพยายามที่จะออกไปในลักษณะนั้น เหมือนกับการเดินพอเดินทางไปแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนกับไปถึงทางตันไม่รู้จะไปยังไงพอไม่รู้ที่ทางไปนี้ทางไ ป, งไปว่าจะไปไปเห็นไหมอุปมาเหมือนกับกระทงกระจกแมลงมันอยู่ในห้องกระจกใสมองออกไปข้างนอกมันนามันสดใสมันกว้างขวางมันมัน อ, อาจจะมีความป่งโล่งดีนี้ดีแต่มันไม่สามารถ ท, ทะลุกระจกออกไปได้เพระ น, นักภาวนาก็าเเดียวกัน ถ้าเรามีมีสัมปชัญญะมีสติมีสัมปชัญญะที่คมกล้าและชัดเจนมั่นแม่นยำเราจะไม่ไปหวั่นไหวแะเวียงเอาหวั่นไหวกับภาวะของอารมณ์เหมือนกลางคูตตการพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าเปรียบภ า, ภาวนาเปรียบมันนักรบจัดทับจัดกระบวนทับเสร็จนี่เสร็จยกทับออกเพื่อต้องการเพื่อต้องการที่อยกจะออกออกลบทับจับศึกนี่จับศึกพอไปถึงเผชิญหน้ากับขฆาตศึกโห ปเป็นข้าศึกมีหมูคนมากมายนี่มากมายกว่าเราเลือกเกินนี่เลยเกิดความหวาดหวัน่นหวาดกลัวอา้าวยกถอยยกทับถอยกลับอันนี้ไปเห็นแม่ทัพอีกคนหนึ่งเตรียมการที่จะยกทับจัดกระบวนทัพไปแล้วเนี่ยแล้วอา้าวมีข่าวเล่าลือเล่าลือมาว่าโอ้แม่ทัพคนนี้มีฝีมือเฉียบขาดในการฟันดาบในการยิงธนูพอได้ยินสปปรรพคุณต่างๆต่างๆ หงอยแล้วไม่กล้าไม่กล้ายกทัพออกไปไปเชิญหน้ามันเหมือนกับคําคําหนึ่งพวกเราเคยได้ยินมาว่าหลวงพ่อเทียนได้เคยพูดเอาไว้ตอนที่อาจารย์สอบอารมณ์ของหลวงพ่อสมัยนั้นที่ถามมาว่าเกลือเค็มไหมหลวงพ่อเทียนตอบว่าเกลือไม่เค็มทําไมบอกว่าเกลือไม่เค็มเพราะหลวงพ่อไม่มีสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง อยู่ในภาวะทุกความเป็นปัจจุบันในขณะนั้นเพราะเกลือไม่อยู่ในปากในลิ้นที่มันรู้สัญญาที่มันรู้ว่ามันเค็มเพราะมันเป็นความรู้ในอดีตเป็นสัญญาในอดีตเราเคยลิ้มรสว่าเกลือมันเค็มน้ำตาลมันหวานพริกมันเผ็ดแต่นั้นเป็นเพียงเป็นเพียงเป็นสัญญาจําได้หมายรู้ที่บอกว่าเหมือนกับดักมันดักเราไว้ปิดกั้นเอาเฮ้ยเกลือมันก็เค็มน้ําตาลก็หวานพริกก็เผ็ด แต่ไม่อยู่ในภาวะข้างความเป็นจริงทั้งๆ ท, ที่เราก็อยากได้ก็โลกขอความเป็นจริงว่ามันคืออะไรแต่พอความจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นมาเรากลับรับไม่รับมันมันคืออะไรเ<ม>นือนกักคำคำหนึ่งเนี่ยเพราะเทียนบอกว่าคำที่บอกว่าอาจารย์ถามมาว่าสมมุติว่าบ้านวัดนี้เป็นวัดเป็นป่าข้างนอกก็เป็นป่ามีโยมคนหนึ่งอยู่ที่ทวัดเนี่ยบอกไปบ้านไปบอกให้โยมมาหาอาจารย์โยมคนนั้นก็แบกปืนไปด้วยนะ พอไปเจอกันพอไปพอไปกลางป่านี่ไปเจอเสือตัวหนึ่งเขายิงเสือภาษาหลวงพ่อเทียนเอาเสือใส่ยิงเสือใสไว้ตัวทิ้งไว้ตัวหนึ่งเล้วไปบอกให้โยมโยมให้มายมม า, มมาหาอาจารย์โยมจะมาไหมหลวงพ่อเทียนก็ตะเ อ, อาก็มาเลยครับเพราะว่าพอแม่ครูบาอาจารย์สั่งมาให้ให ก, ก็ต้องมาถ้าเดินมาทางนั้นเสือใส่มื่อเสือมันจะกัดเสือจะกกัดแต่เสือที่ไหนข้าผมยังไม่เห็นเสือ จ่ทำาไงก็หลบไหมหลีกทางไปทางนั้นไปไปอีกทางหนึ่งอีทางหนึ่งผมเงพอเทียนตอบั่าไงนุ้มไม่ว่าผมไม่หลบหรอกครับผมไม่หลีหรอกครับผมจะเดินมาทางนั้นเมื่อผมเห็นเสือมาไหลแล้วผมจะหลีกถ้าบางทีบางบางทีผมเห็นเสือผมอาจเอาชนะเสือก็ได้อาจารย์ตอบว่าร้อยคนปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมขอนโมธนาบุญเรตยมนะ สมัยนั้นหลวงพ่อเทียนยังเป็นโยมอยู่หลวงพ่อเทียนพูดเอาไว้ห้าสิบกว่าปีหกห้าสิบกว่าปีปีนั้นมีหนุ่มคนจีนที่ไปปฏิบัติธรรมให้ที่ปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติที่มูนิธิอนุ่มคนจีนมาถามปัญหาบอกว่าทําทไมหลวงพ่อเทียนไม่กลัวเสือก็แล้วว่า um คำพูดหลวงพ่อเทียนยพูดมาตั้งห้าสบกว่าปีแล้วไม่มีใครไม่เคยมีสจิตไม่เคยมีใครไม่มีเคยไม่เคยมีใครใครถามแบบคําถามแบบนี้เลย ก็คุณนี่เป็นคนแรกคุณนี่เป็นคนแรกที่ถามขับถามแบบนี้เอาก็เสือยังไม่เห็นนี่ไม่เห็นเจ้กลัวทําไมใช่มาเปรียบเทียบดูระหว่างแม่ทัพที่จะยกทัพออกศึกกับสิ่งที่หลวงพ่อเทียนใช้อุปมาเนี่ยคล้ายคล้ายกันคล้ายครึงกันเพราะฉะนั้น พอนักปฏิบัติทำปฏิบัติไปสุดท้ายไปไม่ไหวเดินหน้าไม่เป็นเดินหน้าไม่ได้ก็ต้องย้อนถอยย้อนกลับย้อนกลับกลับมาบอกว่ากลับมาเออกลับมาสร้างบา ร, รมีกันเถอะอ้าวยอมเห็นอยู่นะโอ้พระแมค่ครูบาอาจารย์อุตสา์ออกจากป่ามาชวนให้สร้างบุญสร้างบา ร, รมีอะไรใครจะปฏิเสธบ้างก็ร่วมสร้างบา ร, รมี สร้างไปเลยบา ร, รมีไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดที่ตรงไหนบา ร, รมีไปจบที่ตรงไหนไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าถ้าจะพูดว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคสร้างบา ร, รมีหมดยุคการสร้างบรรรางบ ร, รมีแล้วนะ่ะตั้งแต่พระพุทธเจ้าตัดสรุ้เป็นสัมมาสัมพุธทธะต่อยุคนั้นสมัยนั้นพระโพธิสัตว์จบลงเลยตรงนั้นเพราะการสร้างบา ร, รมีคือยุคที่ยังไม่มีพระพดทยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปเป็นสัมมาสัมพุธทธะ พ, พระโพธิสัตว์ก็ยังแสวงหาหนทางในการหลุดพ้นอยู่อาตมาว่ายุคนี้เป็นยุคต้องยุคสร้างทําความจริงให้ปรากฏเกิดขึ้นหลวงพ่อเทียนมาทำแล้วเนี so, ่ยร so yeah. ูปแบบวิธีการหลวเพ่อเทียนก็ทํามาแล้วลองใช้ลองใช้สติลองใช้สติดโดดๆลงไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช้ความคิดเข้ามาเกี่ยวข้องลองดูสิว่าเออความรู้สึกก็คือความรู้สึกขณะที่มันเผลอเผลอไปแล้วกลับมาใหม่เผลอไปแล้วกลับมาใหม่ ยิ่งเผลอบ่อยยิ่งรู้บ่อยยิ่งมีความรู้มากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนี้มากขึ้นอย่าไปปฏิเสธความเพิ่งเผลอถ้าเราไปปฏิเสธพังเผลอเพลอแล้วกตกใจว่าเราไปใส่อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งอารมณ์ ม, มันเปลี่ยนแปลงเพราะมันอยู่ตลอดเวลานี้เวลาแต่ว่าเรากับล็อกตัวสติของเราเอาไว้จุดนี้ตรงนี้ตัวสังขารเนี่ยบอกว่าตัวสังขารเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนกริยาเปลี่ยนอาการต่างๆอยู่เนืองนี้แต่ว่าเรากลับรู้ไม่ทันกับมันเพราะอะไรเพราะเพราะเรามาใช้ เอาสติมากําหนดมาอยู่กับอิริบท่างต่างนี่ต่างนานจนเกินไปนี่เกินไปมันก็เลยบอกว่าเอ้ยความสงบแบบนี้ใครจะไปดิเศษนะอยู่ที่บ้านอยู่ที่เที่ยมในที่ทํางานทําการ น, นึ่งมันวุ่นวายแต่พอมาอยู่ในภาวะแบบนี้มันยุสงบดีนี่ดีมันดีมันแทนที่จะเอาไปใช้กับชีวิตของเราได้เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของชีวิตธรรมะเรื่องก็ธรรมะกับชีวิตเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่สงบแต่อยู่ในวัด ไม่ใช้สงบแต่อยูสถานที่ปฏิบัติถ้าสงบแต่อยูสถานที่ปฏิบัติตอตเอ้ยเราจะไม่ไมาใช้ชีวิตอยู่ลักษณะ น, น, นี้อยู่ตลอดไปเป็นไปได้เขาเป็นไปไม่ได้แล้วธรรมะที่คําสอนที่พระพุทธเจ้าที่สอนพอพระพุทธเจ้าตัดสืบเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ออกมาใช้งานตรงนี้นะทางานตรงนี้เนี่ยไม่เคยหยุดพักไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีตํำรับตําราเล่มไหนบ้างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าปลีกวิเวก เหยลา้านี้กับไปปลีกวิเวกสักหน่อยสักหน่อยที่ไม่มีผู้คนจะหาอหาอ่านไม่เจอก็ได้อ่านน้อยเพราะฉะนั้นกับการเลเรื่องธรรมะเป็นเรื่องของชีวิตที่เราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจเอาไปใช้กับชีวิตของเราให้เป็นให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดใครทุกข์เราทุกข์ทุกเราจะแจ้งไขยังไงแต่พอทุกข์มันเกิดขึ้นมาเราก็มองที่มองที่ผลไม่ได้มองที่เหตุ ดูแต่ที่ผลเพราะมันทุกข์มันทุกข์มันทุกข์ใจแต่เหตุที่ทําให้มันเกิดทุกข์มันคืออะไรเพราะไม่ได้มองเหตุก็เลยไปแก้ที่ผลก็คือการหาหาห า, หาหนทางหาสถานที่ในการที่จะไปปฏิบัติหาสถานที่ในการที่อยู่ปฏิบัติอา้าวพออยู่ไปอยู่มาโอ้ยทีนี้ก็ไม่ไม่ค่อยสงบไหมตรงนี้ก็ไม่สงบตรงนั้นก็ไม่ค่อยสงบภาษาภาษาที่หลวงพ่อเทียนใช้พูดสมัยนั้นยุคนั้นขอโทษนะไม่ได้ว่ า, ไ ม, ไ, วาไม่ได้ว่าใคร บอกว่าเป็นประเภทหมายชี้เรื้อนคันอยู่ที่ตรงไหนมันคันไปคันคันคันไม่หมดแทนที่จะรักษาชี้เรื้อนให้หายนีห้หายก็ไม่ใช่อ่ะเพราะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมันต้องมัมน ม, ต ม, ม, นมีต้องมีจุดหมายหรือมันเป้าหมายในการที่จะปฏิบัติเราจะจบลงที่ตรงไหนอย่างที่บอกเบื้องต้นนะว่าถ้าให้มันจบที่ความรู้สึกตัวทั้งหมดมันจบทุกเรื่องแต่ความรู้สึกตัวของเรามันไปไหนสติของเราหายไปไหน ทำไมปล่อยให้สังขารปล่อยให้จิตปล่อยให้ความชิดความปรุงแต่งสังขารต่างๆมันปรุงชิดหาแม้แต่ความสงบแม้แต่ความแม้แต่มีความรู้สึกตัวมันก็ชิดเข้ามาแทรกรู้ยังไง ร, รู้แบบซื่ อ, อแบบหลวงพอ่อท่านกล่าวจริงๆแล้วการเคลื่อนไหวการใช้สติ ต, ตรงนี้มนไม่ต้องใช้สมองส่วนซีกไหนของสมองเลยนี่เลยมาทําความเพียงแต่ยกมือใส่ลงไปมีความรู้สึกตัวลงไปนี่ลงขึ มันจบลงที่ความรู้สึกตัวทุกครั้งทุกขณะไปไม่มีสังขารเหมือนกับหลวงพ่อเทียนท่านกล่าวไปบอกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรใครบ้างไม่รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าใครบ้างไม่เคยอ่านตํำรับตาราใครบ้างไม่เคยได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์สอนรู้หมดนะจะลงพ่อเทียนเมินพนมสั้นๆว่าไม่รู้รู้ไม่ทันความชิดปรุงแต่งนั้นแหละคืออวิชชาเอาพอมันกลับมา กลับมาพลิกกลับมาเป็นความรู้สึกตัวเหมือนกับสมัยก่อนปฏิบัติธรรมอาตมาก็มีปัญหาในสมัยก่อนปฏิบัติที่บอกว่าติดติดความสงบเนี่ยพอติดความสงบเราอยากจะออกความสงบก็าบาหาทางออกไม่ได้เพราะอะไวิธีการเราไปไปไปจำกัดวิธีการการนั่งทําสมาธิอยู่ในท่าอิริบทอยู่ในลักษณะนั้นทีนี้อาตมามันไม่เป็นลักษณะนั้นไม่ใช่อยู่ในอิริบท่านั่งแม้แต่อิริบท เดินมันก็ยังมีภาวะสามารถหลุดลงไปสู่พวังตรงนั้นไปได้จุดนั้นไปได้เนะี่ยกลายเป็นทุกข์ทรมานมากเลยจนทั้งมีความดำริมีความคิดอยู่ในใจว่าใครก็ไดนะ้ล้างสมองซีกนี้ออกให้หน่อ ย, ยถ้าใครล้างออกได้นี่ได้จะขออยู่เป็นทาสรับใช้ตลอดชีวิตทุกไม่ทุ ก, ไ ม, ทกไม่รู้แต่มีความตั้งใจอย่างนั้นมีความคิดแบบนั้นแต่พอมาเจอรูปแบบหลวงพ่อเทียนอีกไม่เจอรูปแบบหลวงพ่อเทียน เอ้ยสมาธิแบบนี้ใครเป็นคนสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระพุทธเจ้าต้องสอนทําสมาธิแบบนี้ไปจบมือว่าพระเป็นแบบมันจะเป็นสมาธิได้ตรงไหนเอาสมาธิตรงไหนมันเกิดจะเกิดสมาธิได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เออโชคดีปีนั้น่ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดเลยในพรรษาหลวงพ่อเทียนมาจากที่ท่านเคยไปไปจำพรรษาที่วัดสนามในกลับมา พังเทศหลวงพ่อเถียนเหมือนกับหลวงพ่อเทียนนี่มันนั่งอยู่ได้หวัวใจนะพูดอะไรออกมามันดนเราหมดเลยถูกเราหดเลยนี่เหรเอเฮ้ยอะไรอยู่ไหมทําไมอัตมาเลยมาเปลี่ยนความชิดตนเองใหม่ว่าอไอ้สิ่งที่เรารู้เนี่ยมันก็เป็นทุกข์อยู่ลักษณะเ น, นี้ยไอ้สิ่งที่เราไม่รู้แล้วทําไมไม่เปิดใจเรียนรู้บ้างทําไมมาบล็อกตอนเองเอาไว้อยู่ลนนนักษณะนี้ถ้าอยู่ลนนนักษณะนี้มันก็เป็นอยู่แบบเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเอาลองมันลองทําลองดู น่าจะมีอะไรดีท่านถึงได้ออกมาทําได้บอกมาบอกชิดอย่างนั้นตาก็เลยมานั่งยกมือเข้าเอามือออกยกมือไปเอามือมาไม่ถึงห้านาทีติดที่มันเคยดิ่งลงสู่ภาวะดิ่งลงสู่สมาธิมันเริ่มมาแว๊บแป๊บแแเข้ามานี่เข้ามาเอ้ามันมีอีกอีกตัวหนึ่งมันเหมือนกับมันฉุดกลับขึ้นมานี่ขึ้นมาไม่ให้ลงสู่ภาวะแบบนั้นเอ้ยมันสะดุ้งขึ้นมาเฮ้ยเกิดอะไรทําไมมันไม่ลงสู่สมาธิเหมือนเหมือนเมื่อก่อน พอหลวงพ่อเทียนเทศเสร็จแล้วท่านก็ไปนะก็กลับกลับกรุงเทพเรามาลำดับพอมันเกิดขึ้นมาครั้งที่สองครั้งที่สามพอครั้งที่สามมันเป็นคำตอบ่อกไปเลยนะว่านี่คือสิ่งที่เราแสวงหาอาแต่มาแค่อยากอยากจะถอนตนเองออกมาจากมุมนั้นแต่วิธ I ีการถอนไม่รู้วิธ I ีการจะถอนอยังไงพอถอนออกมาได้ท่นะโอ้ โ, โ, อ โ, โหโลกนี้ชีวิตนี้เนี่ย ส่งเข้าเทียนเป็นผู้ให้ให้ให้การเกิดทางด้านจิตและวิญญาณเพราะอะไรเพราะเราไปแช่อยู่ในความสงบอยู่ตรงนั้นภาวะต่างๆยึงถามมีคําถามต่อมาในขณะที่เราอยู่ในความในสมาธิอยู่ในฌานสมาบัติจิตสังขารและทํางานอยู่ไหมทำนิ่งทามันก็ยิ่งทําละเอียดขนาดความชิดของเราขนาดความคิดที่มันเกิดขึ้นกับเราเราเองก็ยังไม่รู้ทันกับมัน แต่ว่าถ้าสังขารมาทําหน้าที่อยู่ใต้จิตใต้สํานึกของเราแหละคืออะไ ร, ร, บบ ร, รเพราะฉะนัน้นรูปแบบวิธีการการเจริญสตินี่ก็เป็นเป็นรูปแบบที่การรี่ว่าชุดเราออกมาจากไม่ให้ลงไปใช่ในเรื่องของสมาธิเรื่องของสมาธิเป็นการสอนหลวงพ่อเทียนก็สอนแล้วก็พูดมาตลอดว่าเรื่องของสมาธิพวกฤาษีชีพายสอนกันอยู่ก่อนพระพูดในเจ้าเรื่องฌานสมาบัติแล้วเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพูดในเจ้า แม้แต่พระพุทธเจ้าตัวนั้นก็ยังต้องไปเรียนรู้กับเขาจนจจบหลักสูตรของอาจารย์ซึ่งอยากเห็นว่าพระพุทธเจ้าเห็นอะไรอยู่ในฌานสมาบัตินั้นถึงหันหลังกลับออกมาจากสํานักของอาจารย์เห็นอะไรอยู่ในฌานสมาบัตินั้นถึงได้หันหลังกลับออกมาจากของสํานักอาจารย์ทั้งๆที่อาจารย์ก็ยกตําแหน่งให้เป็นรองอาจารย์ในการที่จะสอนลูกศิษย์ลูกหาจบหลักสูตรแล้วหมดจบหมดความรู้แล้วที่รู้มานี้มาก็ถ่ายทอดที่พวกเธอได้หมดสิ้นแล้วนี่แล้ว มันต้องมองมุมต่างพระพุทธเจ้ารู้เรื่องของพวกฤาษีชีภัยแต่พวกฤาษีชีไภัยกับไม่รู้เรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้นะพูดได้ไม่พูดได้ในในรูปแบบลักษณะนะเหมือนกับสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนเหมือนกันทําไมในเมื่อถ้าเอาเรื่องของสมาธิโอ้ยไม่ต้องมายกมือยกไม้ยกมือให้มันปวดเมื่อยขนาดนี้นี่ขนาดนี้นั่งมาแช่ในสมาธิมันก็สามารถที่จะหลุดออกมาได้นี่มาได้ย่อมกระทั่ทงว่าทุก ได้ยินนะว่าวิธีการแบบไหนก็สู่เป้าหมายเดียวกันละ่ะจริงเหรอในเมื่อเรื่องพวกเราอสีชีภัยทําไมไม่ไม่ไปไม่ถึงเหมือนกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปติดอะไรแล้วพระพุทธเจ้าหลุดออกมาได้ยังไงอันนี้อยากจะฝากเอาไว้ให้พวกเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ไ ด, ได้พินิษ์พิจารณาลองดูลองดูอ ง, ด อ, งดองเปลี่ยนแปลงตนเองลองดูดไม่ต้องเลิกยเปลี่ยนใครหรอกอันไหนที่ตนเองติดขัดพยายามที่จะลอง แกไขและเปลี่ยนแปลงตนเองลองดูนี่ลองดูความสงบสงบแบบไหนที่เราต้องการสงบแบบไม่ได้ยินสงบแบบที่ต้องปิดทวารทั้งหมดเลยเหรอือเอาในเมื่อตาหัูจ ม, มูกลิ้นเรามีถ้าเกิดคนไม่มีตาหัูจ ม, มูกลิ้นจะทํำยังไงจะเป็นคนสมบูรณ์แบบไหมก็ไม่ใช่อันนั้นเราบอกว่าปฏิบัติธรรมตามธรรมชาติเอาธรรมชาติปุ๊หูมันต้องได้ยินตามันต้องเห็นจมูกมัต้องได้กลิ่นปัจจัยสัมมาลมที่เกิดขึ้นมันก็ต้องได้ยิน ถ<เ>้าเงื่อนคนหัวหนสสุ่กก็สงบดีกว่าเราค น, คนเป็นใบก็สงบดีกว่าเรานี่กับเราอยู่ไม่ใช่อันนี้คือกระบวนการความความคิดคมสังขารที่มันพยายามพยายามเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนลักษณะอาการต่างๆนี่ต่างให้เราได้เรียนให้เราหลงไปกับมันนี่กับมันถ้านักปฏิบัติธรรมไม่ได้สังเกตไม่ได้เฉลียวใจในส่วนนี้ในส่วนนี้เนี่ยมันได้ไม่ได้ยได้ได้รูปแบบของความสงบได้อยู่ความสงบที่แบบไม่ต้อง คิดอะไรนี่อะไรอยู่อย่างสงบบ้างและสงบแบบนี้มันก็พยายามที่จะต้องหาพื้นที่ความสงบให้มากขึ้นเรื่อยๆต้องอาศัยพื้นที่มากมากกว้างๆขึ้นมาพื้นที่ให้ขยายพื้นที่ออกไปมากๆมันไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสภาพภาวะลักษณะได้นี้ได้เอเหมือนกับตอนนั้น อาตมาอยากจะหนีเหมือนกันบวชมาใหม่ๆอยากจะหนีไม่อยากจะอยู่ในอยนังสังคมโลกมนุษย์มาวุ่นวายแล้วเกินนี้เแล้วเกินอย่าไม่อยากอยู่คนอยากจะหนีหนีจากคนไปอยู่ในนูในป่าเขาลําเนาไฟไปหนีทำให้หากินเผือกินมันกินละฉันไปเรื่อยนี้ไปเรื่อยโน่นสบายกว่าเยอะกันไม่ต้องไปฟังเสียงอะไรมากมายหลวงพ่อบอกว่านะบางคนเบื่อคนอยากหนีคนลืมไปว่าตนเองก็เป็นคนเออใช่ในเมื่อตัวเรายัางเป็นคนอยู่ อยู่ตรงไหนมันก็มีปัญหาเพราะคนก็ยังตามไปอยู่เพราะคนก็อยู่กับเรานั่งกับเรานอนกับเรากินอยู่กับเราทั้งหมดตัวคนไม่ได้หายไปไหนอันนี้แหละอยากอยากจะให้นักปฏิบัติธรรมนักภาวนาทั้งหลายเนี่ยมันลองพินิษฐพิจารณารูปแบบวิธีการต่างๆนี่ต่างเราเราทําแล้วทําเป็นแล้วละ่ะแต่เราอามาหันกลับมาเจ็บรายละเอียดลองดูนี่ลองดูว่ามันติดขัดอะไรบ้างมันติดขัดตรงไหนบ้าง แล้วก็ลองแก้ไขตนเองลองดูนี่ลองดูเพราะแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนสอนสอนสอ น, สอนถ่ายทอดให้จนไม่มีอะไรที่จะหยุดเอาไว้ไม่มีอะไรที่ค้างคาไว้จนกระทั่งผู้สอนเองก็มรรลุภาพไปแล้วหลพ่อเทียนก็มรรลุภาพไปแล้วแลวพ่อคำเขียนก็มรรลุภาพไปแล้วใครต่อใครก็ห ล, ลายรูปห ล, ลายองค์แม้แต่นั่งไม่แต่พูดอยู่นี้ก็ไม่รู้วันไหนแล้วเรายังจะแสวงหาอะไรอีก ในเมื่อคําสอนแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ให้เตียงเตียไม่ปิดบังอําพังอะไรเลยอะไรคือตัวปิดกัน้นตัวเราเองลองมาสํารวจตัวเราเองแล้วการแก้ไขตัวเราเองลองดูถ้าเราแก้ไขตนเองเราได้เนี่ยได้อยู่ตรงไหนก็แก้เป็นติดขัดตรงไหนเราก็ทําได้เพราะเราไม่ได้ไปเกาะติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เราก็อยู่ด้กับสิ่งนั้นสมมุติทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็อยู่ด้วยกับสมมตินั่นแหละที่หลงวงพ่อเตียนท่านอุปมาไว้เหมือนกับข้าเปลือกเข้าสารและข้าสุก ทิ้ง้าเปลือกก็ทิ้งไม่ได้แต่ทิ้งข้าสารก็ทิ้งไม่ได้กินได้เข้าสุกอย่างเดียวกินเข้าสุกหมดก็มีข้าสารกินข้าวสารหมดก็มีข้าเปลือกเพราะฉะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอยู่ด้วยกันแต่ก็ต้องรู้ว่าหน้าที่ของแต่ละแต่ละส่วนเขาทําหน้าที่กันอยู่ตรงไหนเราต้องการอย่างกินข้าวกินเราต้องทําให้ข้าวมันสุกและกินข้าวมันถึงจะไม่เป็นพิษเป็นภัยสติและปัญญาที่เรามีที่เรามีเห็นอยู่ลักษณะนี้ก็มีอยู่แล้วสมบูรณ์กันดีอยู่แล้ว ลองเอาออกมาใชใ้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดลองดูนี่ลองดูเชื่อว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งพวงนี้มันไม่ได้เลอะบาว ก, กว่าแรงหรือ ก, กว่าสติและปัญญาที่เรามีเดี๋ยวนี้ก็มีมีภาษาหรือศัพภาษาที่อยากที่นักในหมู่เขานักปฏิบัติธรรมมาว่าปฏิบัติธรรมเพื่อไม่อยากให้กลับมาเกิดเห็นทุกข์มากเหลือเกินความคิดดีความดดคามิดเลิศแต่ลึกๆนี่เคว้งไม่รู้ทางไปจะรู้จะเอาอยัางไง หิดยืมภาษาภาษาของพระพุทธเจ้าที่ท่านตัดเอาไว้หลังจากการตัดรู่แล้วนะ่ะชาติที่เป็นชาติสุดท้ายเราไม่กลับมาเกิดอีกแล้วแต่เรายังยังยังงมหาหนทางอยู่เออแต่คําคพูดนี่โอ้โหสุดยอดจังถ้าทําความหมายให้มันสิ้นสุดถ้าความจริงให้ปรากฏเกิดขึ้นมาในขณะยุคนี้สมัยยุคในปัจจุบันในขณะ น, นี้เกิดก็ไม่มีปัญหาไม่เกิดก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้ายุคนี้ยังยังต้องการที่อยากจะไม่อยากจะกลับมาเกิดภาวะตันหาวิภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นก็เป็นตันหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นตันหาอีกคืออะไรอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเนี้ยอยู่แบบอยู่แบบผู้รู้ผู้ตื่นลังดูลังดูเกิดขึ้นมาปุ๊บเห็นปั๊บทันทีเกิดขึ้นมาปุ๊บคิดปุ๊บเห็นปับ๊บเหมือนภาษาที่หลวงพ่อเทียนพูดจบอยากให้มันจบที่ความรู้สึกตัวก็พอแล้วละ่ะ จะไปเป็นอะไรนี่อะไรก็ไม่ต้องไปค้นหามันไกลขนาดนั้นเป็นคนแบบอยู่ไม่เป็นทุกข์นี่จะอยู่อย่างนี้มันก็ถือว่าสมบูรณ์แบบดีแล้ ว, ว<ะ>เพราะฉะนั้นที่กล่ามาก็น่าจะใช้เวลามาสมควรใจเวลาจึงขอยุตลิลงมาเพียงเท่านี้